ข อ, อกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมจัดเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้ในการสํานักวิช า, าการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปทุมเป็นผู้ดําเนินรายการครับวันนี้ทางในการกาบวัฒนาพระเดช พ, พระคุณพระเทพบิลกวัดบางบอนได้พิหา ร, รเป็นวิเคอาปัญหาครับ หมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315เชิญสอบถาปัญหาธรรมเข้ามาได้นะครับขอแยกข้อคําถามต้องไม่เป็นประ เ, เด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับคนที่สามนะครับเพราะสถานีวิทยุที่เราจัดรายการแห่งนี้เป็นสถานีวิทยุของทางรายการครับมีสายแรกโทวเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับ สวัสดีครับผมขอญาตเดียนขอกกาบขอบคุณท่านคนเอกเดบีพุกมานกนนะครับผมได้รับเทปามสิบสองและก็าวสวดสมาธิสี่แล้วนะครับครับผมแล้วขอเรียนถามว่าเวลาเปิดเทปเนี่ยผมไม่มีชัก1ิบหกชั้นเนี่ยเปิดได้ไหครับไม่ไม่ก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะฟังวิยุคฟังวิยุนะครับข้อสองการสมาามสี5ห้ามีคำลงท้ายคำว่า มานี้ปัญจกถาประธานนี้สมาทิยามีสามครั้งเนี่ยแปลว่าอะไรครับผนะครับข้อสามคือเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทําบุญเงี้ยอย่างสมมุติเราเดินผ่านหรืออะไรเขาใส่บาทาเงี้ยเรายกมือนุโมทนาโดยเขาไม่ได้มาบอกให้เรานุโมทนาเนี่ยเราจะได้บุญไหมครับผมถ้าทุกครับขอขอข้อหนึ่งใหม่ได้ไหมครับพอดีฟังไม่ค่อยชัดครับข้อหคือผมเปิดเทปสัมมาสัมมานุสติที่ที่ได้รับแจกอ๋อทำมานุสติครับท่านครับครับครับครับผม แม่แล้วแล้วที่บ้านผมก็มีการเจอเทวดาด้วยใช่ไหมอ๋อครับผมผมไม่ได้ตั้งถัดสิบหชั้นเนี่ยเปิดได้ไหมอ๋อไม่ตั้งถัดริบหกชันเพื่ออันเทวเทวดาจะเปิดได้หรือไม่ครับผมขอบคุณมากนะครับอับยวข้อนะครับครับผมข้อสนะครับครับอมสี่ข้อเลยนะครับครับผมใช่เลยครับอย่างสมมติว่าเราชมทอรทัศน์อยู่เนี่ยครับผมเจอเขามีรูปพพุธรูปพระสารีวิกธาหรือคนทําบุญเนี่ยเรายกมือสาทุ้อครั้งเนี่ยเราจะได้บุญไหมครับอ๋อครับผมเห็นรูปนะครับครับเห็นรูป ได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวท่านคุณอาจารย์จะตอบให้นะครับสวัสดีครับครับผมฟังพระปลิตแล้วต้องแรงไม่ได้เกี่ยวละฮะคือฟังไปเลยไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ประกอบพิธีและในจริงพิธีเวนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งชัดอะไรครับผมก็อะไรข้อที่สองข้อที่สองคำลงท้ายตอนสมัคาสิกขาอิมานีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบททั้งหประการนี้แพียงเท่านั้นเองไงครับผมก็ในจริงก็ว่าครั้งเดียวว่าครั้งเดียวนะครับ ไม่จาเป็นต้องว่าสามครั้งเหมือนกันครับผมข้อที่สามถ้าบุญตักบาทแล้วก็เห็ น, นโม<อ>ทนันนี้นาปาโมทนานะฮะคืออนโมทนาเนี่ยเราเห็นใครทําดีเราแสดงอันโมทนาเป็นบุญทุกครั้ง<ม>ที่เราทําจิตเราเพราะบุญเนี่ยหมายความมาสิ่งจำละล้างความชั่วตามปกติแล้วเนี่ยคนเราเห็นคนอื่นทําดีเนี่ยมักแยดิษยาหรือมักจะเมินเฉย เราแสดงความยินดีหรือแม้แต่เห็นภาพที่เขาถ่ายนโทรทัศน์ได้เกิง น, นะฮะก็เก่งคือคือคืออันตมาเองบางทีก็นั่งไหวจะมาเวลว่าถ่ายสังเวียนนฐานทีอินเดียมาเนี่ยเราพอเห็นเราก็ไหวก็ทําใจให้เกิดอนุโมทนาก็จะศรัทธาปสทาทจิตเป็นผ่องใสครับเพราะ ง, งั้นในภาพเหล่าเนี้ยมาไปเที่ยวอินเดียมาก็อยู่อินเดียทั้งสองปีแต่ว่าเราก็ดูซ้ําซากสังเวียนนิฐาน เพราว่าใจมันสบายเวลาดูแล้วก็ใจมันสบายขอบคุณมากดีแล้วขออนุโรทนาเขครับผมขอบขอบคุณมากเลยนะครับสายแรกนะครับแล้วขอบคุณแทนท่านพลเอกเสรีผู้ข้ามาเนี่ยนะครับที่ท่านได้รับสี่และขออนุโมทนาบุญมานะครับครับสายสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับครับสวัสดีครับขอถามเลยนะครับเรื่องอะไรครับมีรายการโทรทัศน์นะจากคุณรนาทีวีที่บอกว่าเขอละหันชาวนา ทำไมไม่ไม่มีใครทวงตียงบ้างเลยครับเห็นพระคุณเจ้าเคยทวงว่าไอ้คํางนะครับเนี่หรือคําอย่างไรเนไม่เหมาะผมครับผมครับเอาเขาใช่าเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองที่สามทำไมผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นเป็นจุดหน้าที่ของใครที่ทำให้เเกิดสติบ้างไหมครัเออทางรถไสถานีไหนครับ โมกันนายชี่บอกว่าอะไรนะคนคนคนอะไรนะครับอ๋อคนคนคนร้านเจ้านาเนี่ยนะแม่เป็นที่สองที่สามผมไม่เห็นใครจะทําหน้าที่แบบนี้เลยได้ครับได้ครับมีข้อเดียวนะครับข้อที่สองครับครับข้อข้อที่สองว่าไงครับไอ้พันชีที่ผมได้รับเนี่ยกระดาบขอบพระคุณมากนะครับแต่แต่นะฮะได้ครับได้ครับมันเป็นไม่ใช่แบบฉบับที่เป็มรูปแบบนะฮะที่ผมดูเพราะท่านตัดทําอธิบายไปเฉยๆผมเองเป็นคนที่ที่ที่อ่าขอขอแบบว่า ที่ที้ถามว่าทําปริศนีแค่นั้นหรือทำให้เต็มรูปแบบไหมอันนี้ไม่ได้ผมรับมาแล้วนี่ฟังดูแล้วก็เหมือนของเก่าแหละครับอันอันอันนี้ไม่เต็มรูปแบบแหละครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นมหาราชปริศนเลยเลยเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ครัอ๋อเหรอครับอันนี้เต็มเลยใช่ไหมครับเต็มเต็มเลยครับเป็นมหาราชปริศเลยนะครับเนี่ยสี่สิบกวี่เลยนะครับอันที่สองให้ตัดตัดไอไอคําอธิบายออกไปใช่ไมครัเพราะว่าผู้แฟงรายการหลายท่านอยากจะได้บทสวดมาครับผมเพราะว่าจะฟังก่อนนอนอะไรพวกเนี้ครับ ครับผมครับครับอย่างนั้นก็ก็ไม่เป็นไรได้ครับงั้นฝังข้อแรกคําตอบจากท่านท่านท่านอาจารย์เลยนะครับครับขอบคุณมากครับลืมแล้วอ่ารหันชาวนางอ๋ออันนี้ใช้ไม่ได้อะฮะคือคือคือคือต้องต้องทําหนังสือทงจริงไปเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าไอ้เนี่ยรายการเนี้ยมันใช้คำขนาดนั้นจะเลยก็ถือว่าบังอาจมากอนะรายการนี้จริงเป็นรายการดีสร้างสรรค์แต่ว่าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูง คื้เอาอรหันต์ไปใช้กับชาวนานี่ไม่ได้หรอกฮะพระอรหันต์ต้องเป็นพระเท่านั้นเองคารวะบรรลุอรหันต์ปั๊บเนี่ยต้องบวชบรรนั้นเลยครับเออเครืร่อของอรหันต์ดำรงคุณอรหันต์อรหันตตระกูลไว้ไม่ได้ต้องตายหรือต้องบวชเท่านั้นเองครับตอตอนนี้พ่านหรือบวชเท่านั้นไอ้นี่นี่ก็แสดงว่าเออมันก็เยาวก็เข่านะฮะคือบางทีเนี่ย อมาคือเตือนไปที่ช่องสามเจออาจารย์อุดมจันโอภาสบอกเตือนช่องสมหน่อยเถอะอะไรอ阿拉หันอะไรรหันเนี่ยเขาก็ไปเตือนแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามว่าเลิกหรือยังครัไอันนี้อนี้ต้องต้องหาโอกาสดูก่อนว่าสถานที่ติดต่อเขาเป็นยังไงครับผมขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับสายที่สามมารออยู่ครับสวัสดีครับเฟร็ดการ์ครับอาจาริ์พร้อมเพื่อพนักงานมนัสการพระอาจารย์ครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ อคืออยากให้หลวงพ่ออธิบายสติปัฏฐานสี่ให้ฟังหน่อยครับผมเราดังทางฟังวิทยุได้ครับสามเดือนสกายนกเป็นครับอ่าจารย์พระมาสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือสัมมาสติในอะเรียมะนั่นเองครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยทรงสอนให้ใช้สติสัมมัญญาความเพียรสติก็คือสัมมาสติความเพียรก็คือสัมมาปยามะ แล้วก็สา ม, มัญชัญญาก็คือสมมาทิฏฐิกับสมมสังกปะก็หมายความว่าใช้องค์มรึกเนี่ยก็ดูองค์มรึกต้องการจะขจัดความรู้สึกยินดียินร้ายคือเรื่องใหญ่เลยครับเพราะตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยเวลาเห็นโรคก็ดีฟังเสียงก็ดีดมกลิ่นกดีลิ้มรสก็ดีเนี่ยมันจะเกิดยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีกิเลสประเภทราฆ่าประเภโลภะก็เพิ่มขึ้นแต่ยินร้ายกิเลสประเภทโทสะก็จะมันเกิดขึ้น เพาะฉะนันตัวการหลักสําคัญเนี่ยต้องการจะขจัดความรู้สึกเหล่านี้เพราะงั้นปัจจัยปฏิบัติยังไงก็ได้ลุติกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ทำก็ได้แต่ว่าเนื้อหาสาระคือต้องลดความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่เรากระทบลงไปถ้ายัางลดไม่ได้มันก็มีเฉพาะรูปแบบแบบ ต, ตัวจริงๆเนี่ยมันต้องลดต้องลดความยินดียินร้ายลงไปครับแล้วก็มุ่งไปสู่ผลสูงสุด นะก็คือมกุฎนิพพานนะฮะคือคือคือต้องเข้าใจว่าในสติปัฏฐานมันรวมหมดแล้วากายเวทนาจิตธรรมและอย่าลืมว่าที่จริงมันก็คือขันห้าที่จริงมันก็คือรูปนามที่จริงมันก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะจนถึงนิโรธสัตต์ในในในมหาสติปัฏฐานเนี่ยอธิบายถึงนิโรธสัตต์คือตอนสุดท้ายจะไปสรุปรวมที่อริยสัจ ทั้งหนั่นแหละจริงก็คือเรื่องอริยสัจทุกสมัยไทยนรธมากนั่นแหละเพียงแต่ว่าแยกมามาดูที่กายมาดูที่เวทนาดูที่จิตแล้วก็ดูที่ธรรมรที่กายนั้นก็คืออัพยากตะธรรมครับเป็นธาตุด้วยประกอบด้วยขันธาตุอรยะชนะทั้งหลายเวทนาก็ มันเป็นเป็นตัวมันเองเป็นกลางๆงเราอาจจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ตามจิตที่เรากําหนดเอาครับถ้าเราชอบเราก็เป็นสุขแต่เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์นะฮะเวทนาเองมันเป็นกลางๆงนะฮะมันเป็นเจตสิกธรรมเราเป็กลางๆงแล้วก็จิตเราก็เหมือนกันมันเองเป็นกลางๆลางเลยมันก็มีสิ่งมาปรุงครับกุศสปรุงก็มีอกุศลปรุงก็มีถ้าก็ดูจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศสครับแล้วก็ตรงเนี้ยไปยกยอดไปอยู่ที่ธรรมะอีกรอบหนึ่ง นะเราจะเห็นว่าในทุกกระสัตรก็คือกายเห็นไหมฮทุกกระสัตรก็คือกายคือรูปคือเวทนาคือสัญญาก็อยู่ในทุกกระสัตรครับผมเขาก็ก็กซ้ำไปทํามามันก็โลกมันคืมีแค่นามารูปแต่นั้นเองก็เป็นท่านผู้จัดมากครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับกาว่าพักที่ต้องอ่าสังคาริเศษ แล้วสิ้ไปโดยที่ไม่ได้ออกจากอบัตแทางการพิเศษนี้จะมีคนท่านใดนต่อชีวิตคณราวะาตั้งครับอขอบคุณครับขอบพระคุณทุก่ครับขอบคุณมากครั บ, บก่บอนสึกก็มันก<ป>ันแล้วแต่นะะคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นคารวะาอยู่ก็เป็นเรื่องของคารวะไปแต่ถ้าบวชใหม่เนี่ยต้องนับหนึ่งใหม่ครับหมายความว่าก่อนจะบวชแต่ก่อนจะสึกเนี่ยอปกปิดไว้กี่วันก็ต้องไปอยู่กรรม เพื่อทําตัวเองให้บริสุทธิ์ครับแต่ว่าเป็นกะลาวาามันก็เป็นกะาวาว่ะคือเป็นอาบัติของพระครับแล้วก็ว่าการตามการจริงในอาบาัตสังฆาดีเศษเนี่ยเป็นประเภทปัญญะวัชรับเป็นหลักไม่ใช่เป็นโลวกวัชระไม่ใช่เป็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรแต่ไรไม่ใชอ่อย่างนั้นไม่ใช่ฟชูดเทศมันเป็นวินัยสมบัติพระเมื่อท่านศึกไปเป็น ก, าาาากะลว่ามันก็คือกะวาว่าไม่ได้เกี่ยวกันเกี่ยวกันครับกระตขอบคุณเจ้าเปิดใจครับสายที่ห้ามารออยู่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสอบถามได้เลยครับอยากเห็นสถานอย่างนี้นว่าว่าคำว่าคุณเลยนะครับ ครับผมผมเห็นทีวีเนี่ยเขาเรียกว่านายกเนร่และบางทีเขาเรียกคุณคุณทั้งขึ้นอย่างี้นะครับมันมันไม่หมสมไม่เหมาะสมอยัางนีเพราะว่าผู้เลี้เนี่ยอายุก็น้อยกว่าใช่ไหมอ๋อครับครับเอางับอยากนั้นก่อนเนะขอบคุณมากครับคือคือหลักของสัมาคารวะของมนุษย์เราเนี่ยมันหายไปเยอะมันใช้สิทธิเสรีภาพมากไป รายละเอว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตําแหน่งเป็นฐานันดรศักดิ์ที่เกิดขึ้นโดยพระบรมราชโองการตราบเท่าที่เขาเป็นอยู่นี่เราไปเรียกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรียกท่านนายกทครับหรือว่าพระนาท่านนายกอย่างน้อยก็เรียกท่านนายกอ่ะเป็นคําเรียกเป็นคําพูดท่านรัฐมนตรีนั้นออกชื่อหรือไม่ออกชื่อไม่ต้องออกที่จริงไม่จําเป็นออกชื่อ เพ ร, ระาะนายกมัมีคนเดียวใช่ไหมฮะรจริงไม่ไม่จําเป็นจะต้องออกชื่อหรอกคือคืออมาเคยไปตามเสด็จสมเด็จสังกราชไปภักได้ไเออข้าราชการสมัยนี้ไม่เข้าใจอ่ะใช้ภาษาอนะขอประธานกราบทูลสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังเวชทำไมคุณใส่ ย, ยาวขนาดนั้นครับผมก็ที่เขอขอประธานกราบทูลฝ่าพระบาททรงสราบขอประธานกราบทูลต่อหน้าเนี่ยเขาไม่เรียกพระนาม Oh. ต่อหน้าเนี่ยเขาไม่เรียกพนามหรอกในหลวงเนี่ไม่เคยเรียกพนามเราไม่เคยเรียกใช่ครับเขาไม่เรียกผู้ที่เป็นที่เคารพแต่เขาไม่เรียกชื่อครับผมเราเป็นเด็กเราไม่เรียกอย่างนั้นไม่ได้อืมแต่เวลานี้มันมั น, มนอมาอมายังสงสัยระบบราชการเนี่ยเขาก็ใช้กันยังไงแล้วก็ไปไปห้าจังหวัดนะทุกจังหวัดพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอ oh. เรียกชื่อต่อหน้าเลย ครับผมสมัยโบราณเรียกปากกว้าง <laughs> ปากกว้างคือผู้น้อยไปเรียกชื่อผู้ใหญ่เนี่ยก็เรียกปากกว้างครับผมนะครับผมขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมะเข้า ม, มาได้นะครับ ถ้าเจ้าจารย์ครับมีโทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมะฝากมานะครับจากผู้บริหารอัดับสูงของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งนะครับฝากผมมาถามเจ้าคุณจารย์ว่าอยากจะเอ่อถ้ให้เ จ, ะจะญญาคุณจารย์อธิบายอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับสั้นๆแบบว่าอยากจะได้ใจความเพราะาตอนนี้จะเริ่มปฏิบัติธรรมอ่ะครับท่านข้าวอันนี้จังก็โยมดูไอศกรีมก็ได้ดูน้ำชาก็ได้น้ำช า, ำชารีด ม, มัร้อนๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงคือมันมันจะเปลี่ยนไปไอศกรีมก็จะเริ่มละลายน้ำร้อนก็จะเริ่มเย็นคือนจังจะเห็นนี้ อาหารที่เรากินเข้าไปร่างกายนิจจังกมันเปลี่ยนแปลงปจากอิ่มเป็นหิวจากหิว เ, เป็นอิ่มมันก็เปลี่ยนแปล ง, งแกนิจจังอ่า น, นิจจังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ดำรงอยู่ท่ามกลางความแปรปรวนตลอดต่อนเนื่องทีจบดูไม่ท่านครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะแล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องเที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยง นะถ้าเชี่ยงมันต้องไม่มีให้เชี่ยงก็คือนิพพานเนี่ยไม่มีตัวตนให้เที่ยงเห็นไหมนิพพานในเที่ยงแต่นิพพานไม่ได้มีตัวตัตัวตนเป็นชิ้นเปนอันอะไรนิพพานเชี่ยงนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นเชี่ยงนิพพานเป็นอนัตตาครับนะเพราะว่างจากตัณหามนัสสิจิตทีนี้ทุกเนี่ยหมายความว่าสิ่งทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นแกงเนี่ยมันก็เป็นทุกเห็นไหมเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็มันก็แปรปรวนดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็บููบเเนนีี่ยกิ้อ อนัตตาก็คือหนึ่งคือเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องอัตตาตัวตนที่ทาวอนพวกลัทธิ <c oughs> เทวนิยมทั้งหลายเนี่ย <c oughs> แล้วก็พอแยกออกไปเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นศูนย์ไปเลยเป็น<ม>พลังงานจะใกล้ๆสาสารวัตถนุนี้นิ้วเราเนี่ยพอแยกไป ม, กมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเอาเอาอก้อนอิฐเป็นกก้อนหนึ่งพอแยกไปถึงก็หมดเลย <c oughs> นะแล้วก็เราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงเลยสักอย่างเดียว ที่เราว่าของเราของเราไม่มีฮะมันเหมือนก็ร้องเป็นนกเขาไปอย่างนั้นเองไงนกเขาแต่นี่หลวพ่อเพื่อท้าเปล่าของกูของกูคือมันมันมันไม่มีอะไรเป็นของเราจึงแม้แต่ตัวเรายังไม่ใช่ของเราครับอนับภาษาไรกับสิ่งอื่นตัวเราก็ต้องชิ้นฮะอื แล้วเราเราบังคับเราไม่ให้แก่แม่เจ็บไม่ให้ตายไม่เลยนี่คือหลักของอนุตตาถูกง่ายๆอย่างนี้นะฮะครับขอบคุณครับ02241 3315นะครับโทรศัพทสอบถามปัญหาถ้ามาเข้ามาได้นะครับอีกคําถามนึงฝากมาถามจากทางบ้านนะครับท่านควรใจครับอยากจะขอพอดีสายเข้ามาพอดีหน่อยครับสวัสดีข้าพเจ้ากายครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอถามปัญหาสักหน่อยนะฮะจะได้เลยครับยานนี้ทุกวันนี้พวกคู้หญิงยังมีลักษณะ ยังนิ่งอยูกระเป๋าในเรื่องแนววิสาขานี่ดีมากเลยทุกวันนี้ยังพอหาได้อยู่เป่าครับที่ในโลกเนี่ยพอเขาเรียกทุกคนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับมีข้อเดียวนะครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับคือจะจับประเด็นไม่ได้นะฮะหลักการโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเอจะอยู่พร้อมกันทีเดียวสามอย่างไม่ได้ เขาบอกว่าเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งปัญญานั้นจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันใครก็ตามที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันคนนั้นก็คือยอดคนเหมือนคนอย่างนางวิสาขาเนี่ยก็หายากกันนะฮะเพราะว่าสมัยนี้มันสัญญกรรมมันเยอะเราก็ดูยากนางวิสาขาเนี่ยก็มันเป็นยอดคนนะนะยอดคนที่สร้างบารมีมาสูงมาก เขาเรียกว่าประกอบเด้วยเบญจกัลยาณีคือมีความงามถึงห้าประการด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะวัยงามเนี่ยเขาบอกว่าท่านอายุร้อยี่สิบแล้วก็เดินโป ก, กระหลานนี่ก็ไม่รู้อะเหรินถึงเหรินเดินโปรนกัะเหรนนี่เขยังแยกไม่ออกว่าใครคือนางวิสาขาครับผมอ่าันก็หายากนะคือคือนึกดูสามอย่างอะไรกันจับจับประเด็นสามสามอย่างนี้แล้วไปจับที่ใครก็ได้ฮะ ความงามความดีปัญญาอยู่ญญด้วยกันในคนคนเดียวกันครับผมรวมหมดทุกอย่างแล้วก็เพื่อนประเดี๋ยวเลย<ช>ครับค <c oughs> รับผมสายที่แปดมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับตอนเย็นครั บ, รรบมานัสการครับตอนมานัสการเพื่อนศิลป์ธรรมเนี่ยเอ้าตู้หมวดใหม่นะเอยากจะถามว่าคําว่าไหนยะก็แปลว่าอะไร นยะนะครับท่านครับขอบคุที่ร่วมงานขอบท่านครับกรรมนักสการก์ทท่านครับรนัยยะคือกรณีนั้นๆนะฮะเช่นเช่นสมมติว่าเขาพูดอบายามุกอบายามุกดีมีหกมีเจ็ดอะไรแต่ละเขาเอามานยะเดียวเช<อ>่นเขาพูดเฉพาะเรื่องการเป็นนักเลงการพา น, านันพูดเฉพาะเรื่องดื่มสุราพูดเฉพาะนักเลงหญิงพูดเฉพาะเรื่องเอที่ยวกลางคืนอะไรแต่ละเนี้ยเขาเดียวพูด น, <ะ S 3> นยะหนึ่งเฉพาะนยะหนึ่งนยยะหนึ่ง อาจจะสองในยะสามในยะก็แล้วแต่หรือแม้แต่คําถามนี้คำถามว่าพระพุทธเจ้ามีพระนามว่ายัางไงมีพระราจารมีดามารดาว่ายัางไงประสูตรเมื่อไรที่ไหนอะ<ม>ไรแต่เนี้ยเรียกในยะในยะในยะแต่ละใ น, ะนยะเนี่ยเราก็ตอบไป<ม>ทุกในยะครับ บางบางทีคำถามมันมีตั้ง45นัยยะใช่ไหมฮแล้วก็ดูเก่าครับขอบคุณครับศ2นย์3องสองส่นาะครับขอแยกใช้เวลาประชาพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณหลายๆสายนะครับท right? ี <t <t <t <t ่เขียนจดหมายมาขอบคุณท่านพลเอกเสรีผู้กมกันะครับที่ได้อ่าจะส่งซีดีธรรมะและเทวธรรมะไปให้แฟนรายการทุก ท่านเลยนะครับที่ขอมานะครับก็จะส่งไปเป็นธรรมบัญญัการนะครับโดยไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้นนะครับจากรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับท่านสนใจจะขอสีธรรมะหรือเทธรรมะนะครับเขียหมายมาที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับ61ประหลนโยธินจตุจักรกรุงเทพ10900นะครับจะจะส่งเป็นธรรมบัญญัการจากท่านพุทเอกเสรีผู้กาลและท่านดรชิริฟอดพุทธิพรลผู้กบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับสายที่9มารออยู่ครับสวัสดีข้าพเเรกการครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผม เอออยากจะกับเลียงขาวปัญหานะคะเราก็คือเออไม่้ทางานอยู่ที่วัดะค่ะแต่คือจัดตรียีงอาหารก่อนทางครับโอวันพาที่อ่านมาเนี่ ย, วยวนนราาจริงเราว่าเนี่ยจะคนท้องที่เข้ามาในวัดเพื่อมาทาบุญก็คืเป็นผิดข้าวของของชาตที่เราห้ามแล้วก็ไม่ฟังมันทำให ฉันฉนแต่งชุเขาวในวันนั้นด้วย <c oughs> ว่าตั้งใจไปแลป้วเราพรรษานี้จะแต่งชุดขาว <c oughs> เป็นมนะี้ยแล้วกับเขาไม่มีความเสียใจมากเลยาว่าวเราทาผิดก็ตาม <c oughs> ที่เรา เ, าเ <c oughs> รสียบที่ว่าอาการทตามคา ท, ท, ที่ชาร <c oughs> ก็อยางแต่ชาวบ้านมันถึงหยิบเข้าเขของของขา้าไรหยิบเป็นข้าพษา <c oughs> ยิไปเป็นอาหารหรือหยิบไปไปไปเป็นเข้าของส่วนตัวไงครับมันเป็นอาหารทีกไลถึงุกเะบาแต่พวกข้าก็ต้องการของเรื่องต่างจังหวัดสงขาที่ที่ปากใต้ ก็เลยมั่จะลำบากมากก็เลยผิดให้ท่านทีนี้แอบว่าของห้ามคือแบบไม่อยากให้ใครมาหยุดของท่านแบบนี้เพราะมันผิดของห้ามก็ไม่ได้เขาก็หาว่าเราไม่ดีอ่ได้ครับงั้นล้วฟังถ้าจะคุณอาจารย์ตอบปัญหานะครับ การขอเรียนถามอาจารย์อาจารย์คะได้ครับคือแบบว่าอยากได้พิธนะคะอาจารย์เพจริงที่แบบว่าธรรมะเนี่ยได้ครับงั้นงั้นรับฟังองั้นเดี๋ยวรอพู่นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์กนพลจะยกสายที่หน่อยนะครับครับผมครับผมก็กำได้ใครโก้คนนั้นก็รับกรรมไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมหรอกแต่เขาทําไม่ดีเขาก็ไม่ดีคนเดียวโยมไม่เดือดร้องเขาทำไมหรอกครับผม คือคือในกรณีอย่างเนี้ยเราเราไปหยุดอะไรไม่ได้หรอกฮรเพราะว่าของที่เข้าคนมาตักบาทแล้วไปคัดสรรเนี่ยเพราะทำไมคัดสรรก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าสังฆทานบางอย่างเนี่ยมันของเน่าเสียของหมดอายุอะไรตอะไรเนี่ยก็จะรีการคัดสรรแต่ก่อนเรื่องเฉพาะสิ่งที่ใช้ได้อนี้ในในกลุ่มคนที่มาตรงนั้นเนี่ยมันก็แอบแฝงอะไรมาเยอะแล้วก็พูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรอก ก็เขาก็ให้เป็นประโยชน์แก่เขาก็แล้วกันเพราเราก็เจตนาแจกอยู่แล้วถือว่าแจกคนนั้นไปด้วยก็แล้วกันรั บ, รบตาตันใจสบายอย่าไปแบกโลกโับเดือดร้อน โรคก็มีให้เหยียบไม่แบกไม่แบกเกาวก็ขอให้อนุบธนาบุญนะครับที่คอยรักษาข้าวรักษาของให้พระคุณเจ้าทั้งหลายนะครับแลไงก็ท่านอย่างที่ท่านเจ้าคุรอาจารย์บอกนะครับโลกมีไว้เหยียบนะครับอย่ามีไว้แบกนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสาสามหนึ่งห้านะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมาเข้าไหนครับนอาจากรายการไม่สักครู่นี้นะครับถ้าต้องการเทสธรรมานะครับโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับบอกทางด้านสำนักงานเลขานะสำนักวิชาสังคมทั่วไปเลยนะครับว่าต้องการเทรรมตมาอย่างไงบ้างแล้วก็ที่อยู่ย่างไงบ้างจะจัดส่งไปธรรมบันการให้นะครับสายต่อไปสันติเก้ามารออยู่ครับสวัสดีครับฝ่ายการครับสวัสดีครับ ทอ้ที่ปัญหาทำยเดแรงตงายอะไรเนี่ยแล้วไปใส่บาทด้วยันเนี่ยคับครับคี่ตั้งใจจะไปใส่บาทแต่ว่าตสายใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมแล้วเราจะทําจอย่างด้านไหนบ้างต่อเพื่อที่จะชดเชยกันใช่ไหมครับใชค่ะครับผมวฟังทางพี่นะครับแล้วมีข้อยกได้ได้เด็กครับได้เด็กครับทั้งนี้เม่ามีปัญหาหลายเรื่องจะคิดไม่ออกับ แก่ยังไรดีคะเรื่องการงานในตองนี้ต้องภาระหนักเน่วงนู่นใช่ไหมคะครับแล้วเริ่มกับสามี้นะคะอ๋อครับก็มีทุกความกำลังใจครับคุณเจ้าได้ครับได้ครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับอย่าประการค่ะครับอยากจะทําบุญจัดตื่นสายนี่จะทำบุญอะไรเจ้เชยได้ไหมครับก็ทําอะไรก็ได้หรือว่านั่งแผ่เมตตาครับ นั่งทำใจสงบก็ได้กับเหมือนกันนะโยมคือไม่จําเป็นจะต้องตักบาตเสมอไปหรอกรหรือว่าจะสงเคราะห์ใครใครเดือดร้อนเราสงเคราะห์ก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้แก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนดีกว่า <c oughs> คือดูแลลูกให้ดีนะฮะดูแลลูกให้ดีได้ก่อนแล้วก็การงานนั้นคืออย่าคิดในแนวของการรับจ้างมากเกินไปครับดูซิเรามีความสามารถเรื่องอะไรเราทําขนมขายสักอย่างได้ไหมรับของอะไรก็มาขายได้ไหมคืออย่าคิดเป็นลูกจ้าง ต้องคิดว่ามันกว้างกว่านั้นครหมายความว่าลูกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขนาดมีลูกเนี่ยต้องมีความสามารถอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยเจนสมมุติว่าเราเก่งในทางทําขนมแล้วก็ทําขนมแล้วก็ขายแต่แถวนั้นมันก็ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอย่าอย่าไปรองงานที่เป็นเข้าไปลูกจ้างคนอื่นอย่างเดียวต้องหาทางออกให้แก่ตัวเองระยะสั้นๆในีได้ก่อนครับแล้วก็ดูแลลูกให้ดีอย่าไปซ้ำเติมตัวเองเลิกกับสามีก็คือเลิกกันแล้วก็จบ แล้วก็อย่าไปอย่าไปดึงเรื่องอดีตมากลุ่มนะอยู่กับปัจจุบันให้ดีอย่าไปวิตกกังวลกันอนาคตมากเกินไปแล้วก็สติปัญญาก็จะแจ่มใสขึ้นนหาทางออกให้แกตัวเองอมาอย่างนี้ว่ากรุงเทพเนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีความสามารถแกงหม้อหนึ่งเนี่ยสามารถเดินขายตรงนั้นได้ออืใช่ไหมครับแล้วถ้าเราประชาสัมพันธ์แกงของเรานคนคนจนจนคนก็ยอมรับเนี่ยเราก็แกงขึ้นมาแล้วก็วางหน้าบ้านเนี่ยนั่งขายได้คเห็นไหม จริงๆมันมั น, มนกรุงเทพเลยมันมีอะไรเยอะเลยครับแล้วก็อทีนี้ถ้ามีพื้นที่บ้านอะไรแต่เราพวกผักสวนครัวผักกินได้ แ, แต่เราปลูกปลูกเองไช่บ้างเอาก็ถาง ม, มาครับมันมันแก้ปัญหาได้แต่นั้นนะครับแต่ว่าทีนี้เราคิดหรูเกินไปบางทีเนี่ยนึกถึงเศษษษษษรษฐกิจพอเพียงก็ได้หลวกไว้นะาทางออกให้แก่ตัวเองครับผมคือเวลานี้ออมาอย่างมองว่าไอ้เด็กนี่แกมีปัญหาแล้วแกแก้หาทางออกได้หรือเปล่า วัฏกรณแปลกนะเด็กหมาจะเลยแห่งหนึ่งแกนี่มนต์ต้องการนีมนต์ออกมาไปบรรยายให้ให้พวกเธอฟังแล้วก็เธอเธอมาหาที่กุติมาพุทธถามปัญหาสัมมาเดินนะเออเธอโทรถามตลอดเลยไอ้พวกเด็กสมัยนี้คิดไม่เป็นนี่ไงเราอยู่วัดประวันมาถมาท่าร้อนเลยทำไมต้องถามว่ากุฏิอยู่ตรงไหนครับฮะเธออยู่อีกจุดหนึ่งเราก็อยู่ที่กุฏิเรา ถึงเราบอกเธอก็มาไม่ถูกใช่ครับนะฮะทีนี้เธอก็ถามคนที่เธอพบริมถนนดิยังนึกว่าอเด็กทำไมนี่แปลกไงก็ใช้โทรศัพท์เบอร์เคือคืนอ่ะใช่ครับสามสี่ครั้งอ่ะจ๊ะครับกี่บาทครับเห็นะฮะเราบอกอยู่วัดวรวรอยู่ด้านบางลำพูใช่ครับครับผมเธอก็เข้ามา ก็ไม right> ่เห็น sí มีปัญหาอะไรทําไมต้องถามอะแล้วเราไปตอบได้ไงเราไม่รู้เธอเธออยู่ตรงไหนครับขอบคุณเจ้าจ่ายครับสายที่สิบมารออยู่ครับสวัสดีครับพี่ราการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวฉเนี่ยไปเห็นในในวัดพิพัฒน์บรดาบไปยเนยนะคะครับคือไม่ได้ตไปถามว่งีาของแพงๆนั้นเราอยู่ในอยู่ในถังแล้วก็ตกสายเนี่ยก็จะมี เอคนเลี้ยงหมูอ่ะเอาถังมาก็เทไปอย่างเงี้ยเป็นเดือนเป็นปีทําไมท่านขันไม่ได้ทำไมท่านไม่บอกยายโจอ๋อหมายถึงว่าพัฒนาหารที่ถวายไปใช่ไหมครับอ่าก็สอดตามฐานข้าวฐานที่มันไม่จัดลงทุดแล้วเนี่ยแล้วคนก็ไปกราบไห้แล้วก็ไก่ไปพอไปถึงวัดก็ลงทังขยะที่มีการแก้ห่อเนี่ยครับก็มาแมวที่ไปปล่อยเนี่ย ก็รอกรุงจันตาแฉะบางทีก็ข้าวกรองลาดกันเองข้าบุบบุอย่างนั้นน่ครับแล้วก็ไม่มีใครมาแก้ถึงพัดแยกของผู้ที่มาแมวจัดทื้อีนเยนะครับโอ้ไม่มีญาติโยมขอยช่วยแกะข้าวของนะครับครับนั้นนราฝาน้ำนี่นะคะครับผมน้ําที่เป็นแก้วถ้ยเนี่ยต้องมีเอไว้เสี่ยงหมาแมวเวลาที่เราผ่านเดินลองมันเห็นมัแปลกมองขึนกระจายใชครับมีปัญหาข้อเดียวนะครับ แล้วก็มีข้อหนึ่งครับข้อสองว่าเรามาเลยครับข้อหนึ่งก็คือว่าพวกหมาแมวที่ไปปล่อยใช่ไหคะเขไม่จัดสถานที่เนี่ยผู้นวินหน้าทางศาสนาเนี่ยนะคะคขอให้ อ, อ, อ, หนอเน็จอานาจอยู่ในวัดในเรื่องหลังวัดเนีมันเป็นการปกปิด เปการค่ามีการคุกยาเบือนการยิงลูกตออแล้วก็ใจด้วยมา่แล้วก็เข้าเข้าป่าสะอาดใช่ครับพวกินพมเนี่ยเสร็จแล้วพอหมาแมวเข้าไปในพุดก็ขวานเอาพืชฟันคไม่ถึิงนเป็นตัเนโอเคนะครับเดี๋ยวเราฟัจากพี่ดนะครับต้นนะคะครับผมแล้วจาีนะครับพอดีมีหลายสายรออยู่ครับครับผมเออเป็นเป็นลู้สึกคนชอบเพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษมากไปหน่อยพูดมากไปนะฮะคุณพูดอย่างนั้นหมายความาทุกวัดในประเทศ ใช่ครับแต่คุณเห็นกรณีเดียวแล้วคุณไปเหมาทุกวัดมันไม่ได้ครับบางรับผิดชอบครับรับผิดชอบในคําพูดมันมันแทนที่จะเกิดบุญมาเกิดบาปครับแล้วก็ในกรณีเหล่าเนี้ยมันอาจจะมีบางบางแห่งเพราะว่าอาการตักบาตรบางบางแห่งเนี่ยคือข้าวที่เขาตีตำร้านต่างๆที่บูดฮะใช่ครับริบบูดแล้วครับนะถ้าท่านก็รู้ว่าบูดเขาก็ไม่รูจะก็ทำไงเระบูดครับบูดก็ต้องทิ้งอันเถอะ แต่ทีนี้มันมันมันเอญาติโยมเนี่ยเขาก็ยืนตรงนั้นแล้วก็พระก็ไปบินตบาบแล้วก็ขึ้นบน ท, ท, ท, ทั้งๆที่แกรู้ว่ามันบูดแกเขาต้องรับใช่ครับไอนี้คือปัญหาใช่ครับปัญหาที่เราต้องต้องช่วยกันแก้ไขครับแล้วอาจจะมีสักกรณีนะฮะอาจจะมีสักกรณีที่ไปเห็นนะไอฟันหมาฟันแมวอย่างนี้พูดเกินไปฮะโยมที่วัดก็ไม่ทําัหรอกครับก็กลัวบาปไม่ทําขนาดนั้นหรอกครับผม โยมไปเห็นตะแข่งแล้วเอามาพูดเหมาเหมาทางวัดไม่ได้เหมาทางวัดไม่ได้อย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เล่าอาจารย์ฝั่งตะกี้วติพร้าเขาก็เขียนหนังสือบอกว่าการสอนเรื่องนิพานได้หายไปตั้งแต่สมัยรัชการที่สี่อย่างเงี้ยคุณรู้ได้อย่างไงอ่ะวัดมันมีตั้งหมื่นสองสามหมื่นวัดอะคุณรู้ได้อย่างไงว่าเขาก็ไม่สอนกันน่ะคือพูดถึงมันก็ผิดแล้วอคุณรับคราะหกันได้อย่างไงยังยังมีคนคนหนึ่งที่ที่เขาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ย ก็บอกว่าผมไปมาแล้วทุกวัดสู้สัมเตียโศกไม่ได้ถ้าแข่งแม่มนุษย์ไปได้ทุกวัดมันก็เกินมนุษย์ไแล้ว <นะ S 2> <laughs> คือคื อ, คอพูดพูดแต่มันเป็นสัจจะหน่อยที่กระดผมมีความรับผิดชอบในคำพูดหน่อยดิครับอ่ันมันไม่สร้างสรั์นะฮะโยงแนวตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรโยงก็เกิดปฏิฆะแล้วก็เกิดวจีทุกจริตแล้วก็ดา่าลามปามใบเลอะเทอะไปหมดเลยครับไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอก คนต้องรับผิดชอบในกรรมของตัวเองนะฮะคนคนเราจริงๆต้องรับผิดชอบในกรรมตัวเองอย่าไปขอโดยสารทําชั่วกับคนชั่วคการธนาคารเราอย่าอย่าขอโดยสารทําชั่วกับคนชั่วแต่ใช้คนชั่วเป็นบทเรียนไม่กระทำอย่างนั้นครับแล้วก็อาศัยทําดีกับคนดีครับ นั่นคือหลักการในการดำรงชีวิตอยา่าอาศัยความชั่วคนอื่นขอโดยสารทำชั่วด้วยนะครับอย่างเนี้ยอย่างอย่างคนบางคน ม, นมีข่าวพระแล้วก็ ด, าด่าหมดทั้งประเทศเลยพระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะหมดโลกนะคุณต้องเข้าใจว่าภาษาที่คุณใช้เนี่ยคุณรับผิดชอบได้เปล่าพระเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยอธิบายหมดโลกเลยครแต่จริงคุณพูดถึงพระรูกเดียวแต่คุณใช้คำพระเดี๋ยวนี้ภาษาไทยคุณก็ตอบตกแล้ว คือคือมันมั น, ม, นมันต้องสำนึกบ้างนะฮะชาวาพุธเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองเป็นเจ้พุธมีมีหน้าที่ด่าพระด่าพระก็บาปด่าแม่ยังบาปเลย <c oughs> บอกว่าผมมีสิทธดิ์ด่ามีสิท ด, ด่าก็มีสิทธบาป <c oughs> ด่าทั้งหลายบาปทั้งนั้นเลยเพราะด่าด้วยโทสะครับ <c oughs> ต้องจับประเด็นได้ว่าเป็นอารมณ์เป็นกิเลสบงการให้ทาให้พูด จึ่งต้องต้องระวังระวังถ้าอย่างหมาแมวที่ปล่อยวัดก็ไม่ได้เป็นเรื่องของพระโยไปทาโยไปปล่อยเองครับโยมไปปล่อยเองแล้วก็พระก็เลี้ยงเท่าที่จะเลี้ยงได้ครับเพราะพระไม่ได้มีอาหารอะไรมากมายแก่กองอะไรเนีนะครับพอเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับคือคือไอ้เรื่องกําจัดหมาเนี่ยพระไม่กล้าเล่นหรอกพระไม่กล้ายุ่งหรอกใช่ครับคือคือก็ก็ทอมอเข้ไปกําจัดตลอวไปขออนุญาตพระพระก็ไม่ยอม แต่เท่าก็ไม่ขอไม่รู้กับเขาใช่ไหมอย่างที่วัดก็เหมือนกันบางทีก็ตอมไปขอบอกว่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับขอให้พระอนุญาตอะไรคุณกากําจํากัดทุนัไอ้กำกําจัดทุนักไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮใช่ครับผมขอบคุณที่วริจับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสุรย์กันครับสวัสดีครับครับโชคดีครับ เขาเคยเขาดูาร์มเขาดลดการผู้ดำเนินรายการและขอจากนั่ น, น, นามาตรการอาจารย์เจ้าคุณ้วยนะครับผมเข้ากลาลดข้อหนึ่ง <c oughs> ครับผมและก็ถามข้ อ, นขอนหนึ่งนะครับครับผมท่านประโสดครับเชิญครับครับ ก็เข้าสารลดสวที่อาจารย์ท่านท่านตาคุณอาจารบอกว่าขาราชการเดี๋วนี้ได้ตราบทูนต่างๆไม่ถูกเนี่ยนะครั บ, รบเขาไม่สนใจที่จะผ่านมันมีหนังสืออยู่กั บ, บที่จะเข้าตราบูลพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ลองลอง ล, อ ง, ล, อ ง, ลองมาเนี่ยเขามีตำรายอยู่ผมก็รู้เหมือนกัน ครับแต่ผมเองก็อย่นี้ผมก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันอ่างเหินอายุมากก็ไม่ได้สใจว่าจะได้เข้าใกล้คิดจะไปครับได้ครับลื่มไปครับผมนีถามคถามได้ครับถามว่าในปฏิจจสมุทปาฏิย์นี่นะครับคำว่าวิชาร่วงคนสายเกิดถึงสมุทโยโหสถี่นะครับครับผมจะเอาวิชาจะเที่ยวตัวไวว่าเอาปเสตาวิราคานิโรธาตบมาถึงสายดับจนก็ก็ถึงชรามารนังเหมือนกันนิโรโธโหสถ แต่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยเขาถึงมรณะนางไปแล้ว มันมันก็ฮรามารนังแล้วมันต้องไปเกิดอีกต้เกิดแน่ๆนับตาที่กว่ามหาสมุทรอะไรอย่างเนี้ยครับครับผลิตยาจุดูการต่อเชื่อมวิ่เอาในปฏิจจารูปบาทสักรอบหนึ่งก็ได้ความตั้งหกตั้งใจเลยครับประเดี๋ยวสักูนะครับกับวตถการอาจารย์ครับขอฝังวิทยุนะครับขอบคุณมากครับเรื่องเรื่อง่นยาวแน่ยอมยอมยอมเลิศไปถามปฏิจจารุงบาทออกวิทยุอย่างนี้มันอธิบายไม่ไหวหรอกครับแต่เราจะเห็นว่าสายเกิดมันก็มีวิชาตันหา อาประธานก็เป็นเหตุให้เกิดนอกนั้นก็กลับมาพบกับสังขารสังขารแล้วพบเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุให้เกิด Greek. ทีนี้เมื่อมันดับมันก็ดับคือเขาพูดอ่ะมันมันมันเขาพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้หมายความว่าเหมือเมื่อเมื่อหัวรถจักรมันหยุดเนี่ยโบ ก, กี้ที่หนึ่งก็หยุดโบ ก, กี้ที่หนึ่ ง, กก ห, ง, ห, งหยุดโบกี้สองหยุด ไม่ท um ุก kind of hmm? ็ได้มันหยุดหมดทุกโบกี้นั่นแหละถ้าหัวหยุดก็หยุดถ้าหยุดก็หยุดหมดมันเป็นกระบวนการแต่ว่าเขาบอกให้ดูว่าเมื่อเมื่ออย่างนี้เกิดอย่างนี้ก็เกิดอย่างนี้ก็เกิดอย่างนี้ก็เกิดเมื่ออย่างนี้ดับอย่างนี้ก็ดับๆับดับับับที่จริงมันก็ดับหมดนั่นแหละแต่ก็อธิบายเปนเชิงกระบวนการให้ดู เ ม, เมื่อเมื่อเมื่อตัณหาอวิชชาตระหนักประธานดับอย่างยื่นไม่จะเกิดได้ยงไงเราเพราะมันมันเกิดด้วยอวิชชา ด, ด้วยด้วยกิเลสด้วยกรรมครับทั้งดับทั้งกรรมทั้งกิเลสแล้วอย่างยื่นจะเกิดได้ยงไงเรา <ห úng S 1> มันไม่มีอะไรให้เกิดมันไม่มีตัวสร้างเปฏิส่วนที่วิญญาณเพราะว่าวิญญาณนี่ยมันเกิดมาจากกรรมกับกิเลสะสมกันจะเกิดเป็นวิญ ญ, ญาณทีนี้พอพอเกิดกับกรรมมนดับมันก็วิญญาณก็ไม่มีที่เกิดไม่ไม่มีอะไรให้เกิด แอฟอนดครับครับขอบคุณท่านผู้จัดการครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับครับผมครับเป็นคําถามสองคําถามนะคะครับผมครับผมคําถามแรกพระพุทธเจ้าตอนผู้เจ้าทัานทรงกับพระโมลีผมนะครับก็จะมีก้อนอยู่บนศีรษะทําไมรูกพันพุทธเจ้าถึงมีเศษนะครับครับผมข้อที่สองนะครับรูกพันพุทธเจ้าทําไมถึงตั้งให้รูกพันหน้าตาเหมือนกันไม่ได้ อย่างขระโสทรนี่ไงครับทำไมถึงมีรูปร่างอะตัดต่างออกไปนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเนในแง่ความจริงเนี่ยเขาไม่เรียกพระพุทธรูปก็เรียกพระปฏิมาเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเป็นอุเทสิกะเจดีเป็นเจดีที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็จะทําเหมือนมนุษย์ไม่ได้ แล้วก็เมื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์มันก็หมายรู้การส่วนที่ว่าตัดพระมูีนะเรื่องศิละปะ ค, คือว่าพระพุทธเจา้าตามปกติจะมีฉัพันรังสีจะเห็นว่าพระพุทธรูปยุคคันธาระเนี่ยเขาจะมีฉัพันรังสีอยู่ยุคอมราวดีนะฮะก็จะมีฉัพันลังสีอยู่หรือแม้แต่ต่อมาก็ปรับเป็นเรือนแก้วแบบพระพุทธเจินราชเนี่ยก็นี่ก็คือฉัพันรังสีความคิดของของ น, นักปราชญ์โบราณรผ เวลาเนี่ยเขาก็เลยก็เอาเอาเปลวเพลิงไปรูปฉัพันธ์สีไปไว้เสียข้างบนนะก็เป็นเป็นหมายความเป็นตัวแทน<อ>ไม่ใช่เป็นตัวจริง<อ>คือเป็นสั ญ, ญลักษณ์อันนี้คือฉัพันธ์สีนะแล้วก็ทุกๆุกอย่างเนี่ยจะอธิบายในเชิงที่เป็นธรรมะรในขณะเดียว ก, ก, กันก็เทียบเคียง ก, กับหมาปริศลักษณะสามิสสงประการ <c oughs> ตามตามลักษณะสูตรนะที่พระเจ้าทรงทรงแสดงเอาไว้ครับ เ, เราเรียกพระพุทธรูปเรเรียกที่หลัง รจริงๆเขาเรียกพุทธปฏิมานะฮะปฏิมามเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่องุ์จริงครับเพราวมั้นเมื่อเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่จมําเป็นต้องเหมือนแต่องค์จริงก็เราจะตั้นๆบ้า น, นได้ไงเราเกิดไม่ได้แต่รูปมันเพิ่งเกิดมาศตวรรษที่หกแล้วหกร้อยปีแล้วออครับพระพุทธปฏิมานะครับผครับขอบคุณท่านจะควรใจครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับเพื่อนรายารครับครับขอถามคำถามก่อนนะครับเจริญครับ เมื่อวันเสาร์ผมฟังพระที่ก่านเป็นตํารวจพระนะนะครับ ท, ท่ททานท่านท่านคุยกับผู้หญิงว่าผู้หญิงก็ถามท่านว่าจะให้พิจรารณาอย่างไรถือว่ า, าพระองค์นี้จะใช่พระหรือหรือว่าไม่ใช่แล้วตํารวจพระที่จะเป็นใหญ่ในตํารวจพระท่านอยู่วัดอะไรมืออยู่นังเท่มั้งครับครับครับท่านบอกว่าให้พิจรารณา ว่าพระย่ามใหญ่แล้วก็ชีวรปสกปกแล้วก็ถือบาทประจำท่านว่าพระพันนั้นไม่ไม่สมควรจะนับถือเออผมก็ยังสงสัยว่าเราเราจะพิเราจะพิจารณาอย่างนั้นมั น, ม, นมันจะถูกหรือไม่ใช่ไหมครับครับ แ, แ, แล้วจะมีข้อ แล้วจะมีข้อพิจารณาในกรครับขออนุญาตผู้บอมนะครับย่ามใหญ่จีวรสกปรกถือบาทประจําใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าพระอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่พระใช่ไหมครับให้พิจารณาไว้ก่อนว่าพระปองบวย ครับครับขอบคุณมากนะครับครับเข้าไปเลยกันครับมันก็หมายความว่าท่านก็คงจะชใช้การสังเกตคือแนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นพระลอมเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่าลืมวาพระกรมมถานเนี่ยบาทรท่านก็ใหญ่ย่ามเนี่ยท่านก็ใหญ่เพราะท่านใส่บาตด้วยใช่ครับะแล้วก็มีผ้าอะไรอะไรใส่เข้าไปย่ามก็ใหญ่เพราะฉะนั้นจีวรบางครั้งท่านอยู่ป่านนานๆมันก็ อาจจะสกปรกได้เพราะงั้นไอ้มาตรฐานอย่างนี้ที่จริงเอาไปใช้ไม่ได้<ช>รอคือถ้าเราจะสวดเราต้องตรวจหนังสือหลักฐานสุทธิของท่านรเรี๋ยอย่าลืมมาพวกปลอมบวชได้่บางทีมันสงบสงเงมดีกว่าพระทั่วไปจะํำไปเพราะมันห <laughs> ลอกลวงนยฮะเ ป, เป็นเขาเรียกมารายาเสียแง้งโอ้อวดแข่งดี หลอกลวงเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าใช่ครับแต่นั้นก็หมายความว่าท่านท่านท่านคงจะใช้การที่คือคือประเทศกรุงเทพเราเวนี่มีคนปลอมบอวชเยอะโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยจะปลอมบวชมากแล้วมาก็เคยขอร้องทางตำรวจตอนนี้ก็ติดคุกซะแล้วคุณฉลอเนี่ย้ชหน่วยเพาะกิจจากการให้ข่าวนั้นก็นน ก, นนกัดคดีไปหน่อย ก็คือคือเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดการคือพระไปจัดการไม่ได้ครับเพราะก็ผิดกฎหมายอาญามันเป็นหน้าที่ของตำรวจ ม, มันไม่ใช่หน้าที่พระพระไปจัดการอะไรอะไรบางทีแกต่อยเราทำไงนั่นไม่ได้หรอกไอ้ น, นี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มองว่า ขอบคายงานของพระไม่ลดอกไปนอกวัดขนาดนั้นรพระดูแลเฉพาะพระสงฆ์ตัวเองคนปลอมบวชก็จบแล้วแล้วก็น่าน้อยใจที่ไอ้โทรทัศน์เนี่ยมันใช้มันมันพูดเรื่องพระเรื่องคนปลอมบวชพูดพระตลอดเวลาเลยใช้ก็มาพระตลอดเวลาพระทุดงอย่างงั้นอย่างนี้ผลท้ายสรุปแหละคือคนตลอมบวชเอ้าแล้วเธอใช้พระได้ยังไงอับนนี้คือคือคือจิตใจของคนเวเนี่ยมาว่ามันตกต่าลงไปเยอะบางบพวกเนี่ยนะ คือคือรู้สึกมันสะใจที่ได้ด่ากับพระ <laughs> คล้ายๆกับพระเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มาเบียดเบียนอะไรตัวเองนะฮะ ค, คือคการด่าว่าสำนากีพราบแต่ในอุเทศของจุตูปปาติยานผู้เจ้าอธิบายตลอดเป็นเหตุให้สัตว์ตกนรกรด่าว่าสำนากทีพรารบทุกจุดเลยอธิบายไว้ทุกแห่ง เพราะว่ามีสำนักจิพรามือคนเคยตั้งคําถามมาทำไมชอบทําไมชอบด่าพระเพราะว่าด่าพระนี่ปลอดภัยที่สุดไม่มีการฟ้อง <c oughs> คือไม่มีการ <c oughs> ฟ้องมันมีการโต้อตอบ<ม>ไม่ได้และ <c oughs> ด่าชาวบ้านปรเดี๋ยวมันต่อยเอา <c oughs> สู้ด่าพระไม่ได้เพราะง้นประเทศไทยเราจึงมีนิทานแต่ตาเท็จยาชีเต็มไปหมดครับ <c oughs> คนนั่งโกงเล่ากันนี่คุยคุยก็เสร็จแล้วออกพระครับฝาก็ ไม่ต้องระวังหลังเนี่ยฮะ ค, คือเนินทาพระเนี่ยไม่ต้องระวังหลังนี่ว่านินิทาจชาวบ้านมันก็จะมีแตบาปเยอะไหมครับอรย์ครับอย่าสะสมบาปเลย บ, บาปบบนะฮะอย่าลืมว่าพระเนี่ยเราไม่รู้ว่าจิตใจท่านเป็นยังไงครับผมตํารวจเนี่ยที่เขาไม่กล้าจับพระเนี่ยมีกรับจับแล้วมีอันเป็นไปเลยนะออืตำรวจคนไหนจะพระแล้วมีอันเป็นไปได้ครับผมแล้วไม่จะเดินก้าวหน้าไนได้จาแกครับ มีคราวหนึ่งที่ตำรวจระดับย่อยดังมากคนนั้นน่ะจับหลวงพ่อองค์องค์งหนึ่งมีชื่อเสียงมากเลยผลุท้ายก็แพ็กเกอร์กระที่ยงจนมีหนเห็นบางรายรติเไปไม่ได้เลยคือคือ <laughs> คืออย่าลืมว่าถ้าเขาบวชมาถูกต้องในเขามีศีลมากกว่าโยมมรุษกีติดเท่าตัวใช่ครับครับศีลของเขาอย่างเดียวนี่เราก็เรา ก, เราก็แย่แล้วครับั้นอย่าไปแตะต้องเขาเรียกว่าอาหุเนยยักษิเป็นไฟครับท่านทั้ เป็นไฟอย่างหนึ่งเหมือนพ่อแม่นี่เป็นไฟอย่างหนึ่งคือไปแตะต้องในลักษณะร่วงเกินเนี่ยเป็นบาปครับบาปแก่คนที่ไปร่วงเกินครับพวกนี้เขาเรียกว่าอคิทนะฮะอาหุนยักษิทข่าปตักคิมาตักคิปิตะคิอะไรหลายหล <c oughs> หลายขิยย้เครับผมกคุณเจ้าคุณอาจารย์ครับสายต่อไปครับสายที่สิสี่ครับสวัสดีครับรายการครับครับผมครัทษ่นีครับให้หลอนได้ครับแล้วก็ ตะก้อเลยครับครับตอนนี้ผมไปฟังอาจารย์ที่ศึนาธรรมกันนะฮะครั้นี้ผมก็ถามเดีมีพนาท้องใจเรื่องอะไรต้นไม้มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณแต่เขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเกิดมาจากอุตุกับอาหารไม่มีจิตไม่มีกรรมมายันต้นไม้ถึงไม่มีวิญญาณครับผมครั้นี้ผมก็ถามอีกว่าอแล้วทาไม พระตัดต้นไม้ถึงต้องอับับเข้าฆ่าสะนะัตว์อ่ะออืันนี้ท่านก็บอกว่าต้องดูสาเหตุว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะอะไรเพราะว่ า, วาพระภิกษุในเวไปตัดต้นไม้ต้นนั้นเป็นพอดีไปตัดเอแขนของลูกเทวดา mm hmm. ก็เทวดาก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยบัญญัติไว้ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขำแต่ว่ามาสงสัยข้อหนึ่งว่าทําไมเทวดาเป็นกายคิดทําไมพระภิกษุนั้นถึงไปตัดโดนแขนลูกของเทวดาอย่าทําลงนข้อ น, นี้ด้วยครับ mm hmm. ข, อ, mm hmm. ขอบคุณมากนะครับ hmm. ครับครับสวัสดีครับคือก็อธิบายว่าเทวดาบางประเภทนะฮะมันเกิดในคันก็มีครับเทวดามีลูกเด็กๆก็ได้เล็กๆฮะที่วัดรวนก็มีอที่ต้นประดู่ก็มีเทวดาเด็กอยู่ตั้งสี 5, ่ห้าสี่ห้าต้นบางทีก็หัวค่าเนี่ยลงมาเล่นกันวิ่งเล่นผมจุกเด็กๆเด็กๆผมจูกก็วิ่งเล่นกันครับเพรงะนั้นมันมันเป็นลานกว้างไงฮะนลานกว้างพระใหม่ก็เห็นกันบ่อยครับครับ จะมายังยังไม่เคยเห็นผมไม่ไม่เคยได้ไปด้านนั้นครับ uh, เรื่องวิญญาณเนี่ยวิญญาณระดับมนุษย์มันไม่มีนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าพืชเนี่ยมารับรู้รับรู้สแสดงว่าเขามีวิญญาณระดับพืชครับที่ว่ า, าทรงบัญญัติถ้ำทั้งไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวพุทธเจ้าพูดถึงผูตะคามผีจะขา ม, ขามครับผู้ตะคามเนี่ยหมายความมันพืชจริงๆแล้วหนอมันก็ไม่ได้ เช่นว่าพระจริฉันฉันฉันขิงคาเนี่ยซึ่งมันปลูกงอกเนี่ยมันมันต้องต้องหั่นแต่ก่อนคนอืต้องหั่นให้แต่ก่อนฉันไม่ได้ฉันเลยไม่ได้แม้แต่ว่าอะผักบุ้งอย่างเงี้ยนะฮะผักบุ้งเนี่ยมันมันมันงอกได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นพีชะครามพีเชคามครับคือหน่อหรือกิ่งหรือตาหรืออะไรต่างต่างเนี่ยพระไปทําลายไม่ได้ครับมันเป็นวิญญาณระดับต้นไม้คือคือมีพระองค์หนึ่งท่านทดสอบว่า ท่านปลูกต้นปีปะ่ะต้นต้นหนึ่งท่านเปิดวิธีว่าฟังเปิดเพลงฟังทุกวันต้นต้นหนึ่งไม่ได้เปิดอะไรแล้วก็อย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยต้นต้นที่เปิดเพลงฟังสูงชืู้ดเลยครับครับนะแต่ที่ที่วัดเพชรบรีรามที่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันใช่ทดลองทำดูก็มันมีแต่เราจะเรียกว่าวิญญาณหรือเปล่าสรุปว่าถ้าใช้คำว่าวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยต้นไม้ก็รับรนะู้นะครับผมครับ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับฝากไว้เดี๋ยวชิดหน้าเรามาคุยเรื่องประเด็นนี้ต่อไปนะครับวันนี้รายการเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอากราบขอประท่านอภัยหลายสายนะครับโทรมาไม่สามารถโทรมาได้นะครับเนื่องจากว่าสายแน่นมากครับก็รายการเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอาการาบราท่านผู้รับฟังรายการทีท น, นี้ก่อนนะครับขอความเจริญงอกรรมภัยบุญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทั้งหลายครับขอกราบสวัสดีครับ